อรชานนี่ขอนมนุโมทจาสมใจบรรยายทำด้วย กราบบูชาพระรัตนตรยัยขอกราบคารวะครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอกราบคารวะพระอาจารย์ไพศาลผู้เป็นประธานในที่นี้ขอกราบคารวะพระเถรานุเถระและเพื่อนสาธมิกทุกท่านขอเจริญพรเจริญในธรรม แก่แมชีอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตแห่งนี <c oughs> ออ้วันนีนะ้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่ห้าตุลาคมพุทธศักราช2555นะตรงกับวันแรมห้าค่ำเดือนสิบปีมะโรง เ, ออเมื่อดูปฏิทินแล้วเนี่ยนะก็ เขาเขียนไว้ว่าวันนี้นะเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาตนะิก็ได้ความคิดมาว่าเออมนุษย์เราเนี่ยก็พยายามที่จะคิดคน้นนะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะที่เป็นนวัตกรรมนะที่จะมาช่วยบรรเทาความทุกข์ความยากนะในทางร่างกายเป็นส่วนใหญนะ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสว่างนะเรื่องของการเดินทาง เรื่องของการรักษาโรคนะหรือแม้แต่อา่านการกินนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะจากมนุษยนะ์ที่พยายามจะหาทางบรรเทานะความทุกขนะ์ทางกายนะก็เลยไปคิดว่าเอ๊ะในทางใจมันก็มีเหมือนกันนะเมื่อครั้งพุทธการเนี่ยพุทธองค์เนี่ยนะก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นนวัตกร คนหนึ่งเหมือนกันที่พยายามนําเสนอนะการแก้ทุกข์ทางใจนะให้กับมนุษย์เรานะเพราะว่าในสมัยก่อ น, นนะความทุกข์ทางใจของมนุษย์เรานะก็ไปอาศัยพึ่งพิงสิ่งที่มองไม่เห็นนะไปพึ่งพาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะตามความเชื่อนะซึ่งก็ทําให้บันเทา ความาทุกข์ทางใจลงไปได้บ้างนะแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดแต่ว่าพุทธองค์เนี่ยได้ค้นพบนว่าไอความทุกข์ทางใจเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในใจของเร า, าเพราะฉะนั้นการแก้ไขาการบรรเทาเนี่ยหรือการแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยมันจะต้องกลับมาดูที่ใจของเรากลับมาแก้ที่ใจของเร า, าซึ่งถ้า ดูไปแล้วเนี่ยเมื่อ 2,600 ันหกร้ยปีก็ถือว่าพรุทธองค์เนี่ยเป็นผู้ที่นําเสนอนสิ่งที่เป็นการดับทุกข์ทางใจเป็นนวัตกรรมในยุคนั้นได้นะแล้วก็ น, นวัตกรรมนี้เนี่ยก็ได้นํามาถ่ายทอดผ่านครูบาอาจารย์รุ่นแล้วรุ่นเล่านจนมาถึงรุ่นของเราก็มีวิธีการนในการที่จะดับทุกข์ทางใจด้วยวิธีการต่างๆ นะก็นำเสนอนะเมื่อมาถึงยุคของเรานะเราก็ได้พบนะวิธีการนะที่จะดับทุกข์ทางใจนะด้วยสิ่งที่เราเรียกว่ า, าการฝึกสมาธิบ้างการฝึกนจะิตบ้างการฝึกกรรมฐานบ้างนะซึ่งก็มีรูปแบบต่างๆนะก็เหมาะสมกับแต่ละผู้แต่ละคนไปนะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรม นะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นนวัตกรรมในการที่จะดับทุกทางใจนะที่เกิดขึ้นนะกับคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีการปฏิบัติภาษาที่ใชนะ้ในการที่จะนำเสนอให้กับคนแต่ละยุคแต่ละสมัยนะซึ่งก็เหมาะสมนะในแต่ละยุคแต่ละสมัยหรือเหมาะสมแต่ละผู้คนนะอย่างในประเทศไทยเราก็ดี หรือในพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันก็ดีนะเราก็จะพบรูปแบบนะของการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยนะเป็นออสองรูปแบบใหญ่ๆนะนี่เท่าที่ตุกัะผมที่ทำมาได้พอมองเห็นนะรูปแบบแรกก็คือการที่เราเทำจิตให้สงบนะแล้วก็ถึงระดับหนึ่งที่เราไม่ได้สงบนิ่งนะไม่รู้อะไร นะก็มีความสงบแล้วตื่นรูนะ้เห็นความแปลเปลี่ยนนะความทนอยู่ไม่ไดนะ้ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานะซึ่งครูบาอาจารย์หลายท่านนะก็จะมีคำบริกรรมเข้าไปบ้างนะอย่างสายพรนะป่าโดยหลวงปู่มัน่นะก็จะมีคำบริกรรมพุทโธเข้าไปนะสายวัดหมห า, าธาตนะุโดยพระพิมลธรรม ที่นำมาจากพมากนะ่าก็มีคำบริกรรมเข้าไปนะยุบหนอพองหนอสัมมานะยุบหนอพองหนอนะนี้ก็เป็นที่แพร่หลายนะแล้วก็เป็นที่รู้จักนะแล้วก็มีสายหลวงพ่อสดนะวัดปากน้ำนะก็จะเป็นสัมมาอารหังนะก็ได้พัฒนาขยายมานะอยู่ในวัดพัทธม์กายนะนี่ก็เป็นรูปแบบนะถือว่าเป็นป น, นวัตกรรม ในยุคปัจจุบันนี้นะซึ่งคำวณวัตกรรมในที่นี้ไม่ได้ไปคิดทฤษฎีอะไรขึ้นมาใหม่นะเพียงแต่คิดวิธีการานะที่จะทำให้เหมาะนะกับคนในยุคปัจจุบันนะก็ทําให้เกิดผลนะในแง่ของการประพฤติธปฏิบัตนะิแล้วก็ได้รับความสงบนะได้รับความสุขนะสามารถปลดเปลื้องทุกข์ได้นะมีจิตใจที่เป็นอิสระนะ นอกจากนั้นก็ยังได้มีการานำเสนอนะด้วยภาษาร่วมสมัยนะอย่างเช่นกรณีของอาจารย์พุทธทาสนะเจ้าคุณพระธรรมพระพรมคุณาพรหรือนะท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกเดิมที่เรารู้จักกันนะซึ่งถือว่ า, าครูบาอาจารย์เหล่านีเน้เป็นผู้ที่พยายามนะในการที่นาเสนอภาษาร่วมสมัย นะแต่ว่าหลักการในทางพุทธธรรมก็ดีในทางพุทธศาสนาก็ดียังยังมีหลักการเดิมอยู่นะแล้วก็สืบทอดมาตนะั้งแต่ครั้งพุทธองค์นะเพียงแต่ว่านำเสนอด้วยภาษาที่ร่วมสมัยนะแล้วก็นำเสนอในสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้นะในปัจจุบันนะก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยนะเราจะพบว่า พุทธศาสนาเนี่ยนะมีอุปสรรคอันหนึ่งก็คือเรื่องของภาษานะโดยเฉพาะคนยุคใหม่นะที่ไม่ได้เรียนภาษาบาลีนะก็จะมีปัญหามากในการที่จะสื่อสารในการที่จะเรียนรู้น ะ, ะท่านเจ้าคุณพุทธทาสก็ดีนะพระผมคุณาพรก็ดีถือว่าเป็นผู้ที่นำเสนอนะภาษาร่วมสมัยนะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ย ในยุคปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจนะในพุท ธ, ธรรมนะหรือในหลักปฏิบัติได้นะแล้วก็มีหลักอ้างอิงนะที่สามารถสืบท่อต่อไปนะจนถึงครั้งพุทธกาลไดนะ้ซึ่งสิ่งเหล่านีน้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะในยุคสมัยนี้นะเป็นนวัตกรรมในด้านภาษาก็ดีในด้านการปฏิบัติก็ดนะีที่เหมาะกับยุคปัจจุบันนะ ทีนี้ในส่วนของหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะก็ถ้าจะมองแง่หนึ่งก็เป็นลักษณะที่เป็นนวัตกรรมอีกแบบหนึ่งนะในการปฏิบัตินะซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบการปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมนะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะปฏิบัติด้วยการนั่งหลับตานะทําจิตให้สงบนะมีคําบริกรรมนะแต่ในส่วนของวิธีการเจริญสติ ของหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่ต้องมีคําบริกรรมไม่ต้องนั่งหลับตาไม่ต้องนั่งนิ่งๆนะให้มีการเคลื่อนไหวนะซึ่งตรงนี้มันก็เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันนะที่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะต้องทำการงานต้องเคลื่อนไหวนะต้องทำนู่นทานีนะ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็เป็นการเอื้อประโยชนนะ์ให้กับคนรุ่นใหม่ นะที่มักจะบ่นอยู่เสมอว่าไม่มีเวลาหรอกที่จะไปนั่งสมาธินิ่งๆหลับตานะไม่มีเวลาที่จะไปอยู่วัด5วันเวันหรือเป็นเดือนนะหรือไม่มีเวลาไปปฏิบัติอย่างนั้นนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความความเข้าใจของคนโดยทั่วไปนะแล้วก็เป็นภาพที่มองเห็นว่าการปฏิบัติวิปัสนาก็ดีการปฏิบัติกรรมฐานก็ดีเป็นเรื่องที่จะต้องไปนั่งหลับตา นะต้องไปนั่งนิ่งๆ น, นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะในตัวกระผมนิธมาก็มองเห็นว่ามันก็เป็นนวัตกรรมอันนนะึในการที่จะนะมาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจนะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นะ่าที่จะนะเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะกับคนในยุคปัจจุบันนะที่ต้องการการฝึกปฏิบัติที่ ใช้ได้กับชีวิตประจําวันแต่ไม่ได้หมายความว่าการฝึกกรรมฐานแบบนั่งหลับตาดีหรือนั่งนิ่งๆจะไม่ใช้จะใช้ไม่ได้นะก็ใช้ได้นะแล้วก็เหมาะสมนะในในแต่ละผู้คนนะตามจริตนิสัยนะที่แต่ละคนนั้นนะเห็นว่าเหมาะสมกับตัวเองเพียงแต่ว่าการเจริญสตินะในแนวเคลื่อนไหวเนี่ยนะก็ เป็นสิ่งหนึ่งที่ดูจะแตกต่างนะออกไปจากรูปแบบเดิมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบของการปฏิบัติกรรมฐา น, น ท, ที่เป็นรูปแบบที่สองก็คือการที่เราไม่ต้องนั่งนิ่งๆเราไม่ต้องนั่งหลับตาเราไม่ต้องใช้คำบริกรรมแต่ว่าให้เรามาทำความรู้สึกตัว เราใช้คำว่ารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวนะซึ่งตรงนีนนะ้ก็มีขั้นมีตอนมีรูปแบบที่ชัดเจนนะโดยหลวงพ่อเทียนท่านก็พยายามนะที่จะนำเสนอให้มันง่ายและก็เหมาะนะกับคนที่มีชีวิตนในการทำงานนะโดยการนำเสนอรูปแบบนะการเคลื่อนไหว14จังหวะก็ดีการเดินจงกรมก็ดี การนัง่นงการนอนนการคึงนิ้วมือนการเคลื่อนไหวต่างๆนะก็ให้มีความรู้สึกตัวเข้าไปในรูปแบบนั้นนะซึ่งก็เหมาะนะสำหรับคนที่เริ่มต้นใหมนะ่ที่ยังไม่รูนะ้ว่าจะทำอย่างไรนะซึ่งเมื่อสามวันที่แล้วนะที่ผ่านมาตัวกระผมนิธมาก็ได้ไปช่วยพระอาจารย์ทรงศิลนะจัดอบรม กลุ่มครูโรงเรียนวิทยาลัยนะเทคโนโลยีชยัยภูมิและก็บริหารธุรกิจนะหลายคนก็เคยฝึกแบบนั่งหลับตานะมีคําบริกรรมแล้วนกะ็ามาเจอรูปแบบที่เรามาเคลื่อนไหวนี่เขาก็แปลกใจว่ามันมีด้วยเหรอวิธีการแบบนีนะ้ซึ่งก็หลายคนก็ได้ได้รับผลไปบ้างนะบางคนก็อาจจะยังง ง, ง, งอยูนะ่ว่ามันมีด้วยเหรอ อันนี้ก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับคนบางกลุ่มนะแม้ว่าจริงๆมันมีมานานแล้วนะ่งหลายคนก็สามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกตัวมองเห็นอารมณ์มองเห็นความคิดของตัวเองได้นะแล้วก็เกิดผลที่บังเกิดขึ้นกับตัวของเขาแล้วเขาก็มองเห็นว่าเอาเอวิธีการนี้ ก็เหมาะในที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันในในการทํางานในการใช้ชีวิตนะก็มีการสรุปกันเมื่อวานนะก็เห็นว่าน่าจะได้นําไปใช้กับตัวเองนําไปถ่ายทอดให้กับคนใกล้เคียงงานะแล้วก็อาจจะนําไปสู่นักเรียนนะในโรงเรียนหรือในวิทยาลัยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เออเป็นตัวอย่างอันนึง่งนะที่เห็นว่า การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยนะก็เหมาะสมนะกับคนที่อาจจะไม่มีเวลาที่จะไปนั่งนิ่งๆนะหลับตาบริกรรมนะนั้นก็เป็นความเหมาะสมของกลุ่มคนที่ต้องใช้ชีวิตที่ต้องมีการเคลื่อนไหวนะทีนี้ในรูปแบบของการเจริญสตินะแบบ ที่เราได้มา เ, าเรียนรู้กันนะที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะส่วนใหญ่เราก็จะเน้นตรงจุดนี้ในะวิธีการแบบนีนะ้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปฏิเสธิวิธีอื่นนะหรือไม่ได้หมายความว่าวิธีนี้วิธีเดียวนะจะเข้าใจความจริงของชีวิตนะแต่เป็นวิธีการหนึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งนะที่จะทำให้เรานะเรียนรู้ กา ใ, ใจของเรานะแล้วก็สามารถที่จะดับทุกข์ไดนะ้ที่เกิดขึ้นภายใน ใ, นใจของเราเออสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาเนี่ยนะก็คงพอจะสรุปไดนะ้ว่าเป็นหลักของการเจริญสตินะเจริญสติตามหลักสติปัฏฐาน4นีะ่ซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะโดยที่เรานะก็จะให้ความสนใจนเะลือใอยความสําคัญนะกับความรู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหว นะเสียก่อนนะในเบื้องต้นนะซึ่งตรงนี้นก็เป็นอุบายหรือเป็นเทคนิคนะที่อยากทให้เรา เ, นะเรียกความรู้สึกตัวนะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะเพราะโดยส่วนใหญ่คนในโลกปัจจุบันหรือคนในสังคมปัจจุบันนั้นนะเราจะไปสนใจหรือไปให้ความสาคัญนะกับสภาพแวดล้อมนะสิ่งนอกตัวมากกว่า เพราะฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยก็จะไปอยู่กับเรื่องราวข้างนอกซะเป็นส่วนใหญ่เราไม่ได้มาสนใจหรือไม่ได้มาดูไม่ให้ความสำคัญกับอารมณ์กับความรู้สึกความนึกคิดที่มันแสดงตัวอยู่ภายใ น, นเพราะฉะนั้นบางทีเราก็เหมือนกับสะดุดหรือว่าตกจมอยู่ไปในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้ น, นเมื่อเราไปกระทบกับโลก นาะมีสุขบ้างทุกบ้างนาะมีดีใจบ้างเสียใจบ้างนาะมีความเบื่อความเซงความเหงาความเครียดนาะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนาะเราไม่ได้กลับมาดูที่ใจแลนะเราไม่ได้มาแก้ที่ใจนาะมบางคนก็ไปแก้ไขโดยการเอาวัตถุภายนอกนาะเข้ามาอา่ากรบเกลือนหรือกล่อมกลาวนาะหรือทําให้หลงหลงลืมๆืนาะมความเครียดไป เป็นบางครัง้งบางขณะแล้วธรรมชาติมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งว่าความเครียดมันก็ไม่ได้เครียดตลอดเวลานะความเหงาก็ไม่ได้เหงาตลอดเวลานะความโกรธความโลภความหลงมันก็ไม่ได้มีตลอดเวลานะมันมีมาและมีไปเพราะฉะนั้นการกลบเกลื่อนนะโดยอาศัยวัตถุภายนอกนะจะเป็นเรื่องอาหารการกินก็ดนะีหรือสิ่งเสพติดต่างๆนะหรือแม้แต่ยากล่อมประสาท นะอย่าลดความเครีย ด, ดหรือแม้แต่การไปทํากิจกรรมต่างๆนะเพื่อให้มันลืมๆนะไอความรู้สึกเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหานะที่แท้จริงนะซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราได้นะแต่เมื่อได้ก็ตามนะที่เรามาเจริญสตินะเรามาทําความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะปรับนะปรับมาดูที่ กายที่ใจของเรานำะมาดูที่ต้นตอของปัญหาจริงๆนะเราจะได้รู้ความจริงนะของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานะแล้วก็จะรู้จักปล่อยรู้จักวางนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงการเจริญสตินะโดยการที่เรามาทำความรู้สึกตัวที่กายในเบื้องต้นนะในชัดเจนนะตรงนีนะ้จะเป็นการเรียกความรู้สึกตัวกลับมาอยู่ที่เนื้อที่ตัว แล้วมันจะเป็นการเปิดตาในนะก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยขึ้นมานะเพื่อที่เราจะเข้าไปดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานะแล้วก็หาสาเหตุนะที่เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจมันเกิดขึ้นจากอะไรนะแล้วก็เราก็เข้าไปแก้ไขตรงสาเหตุนั้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงไปตรงมา นะแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะที่คนในยุคปัจจุบันนะไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกันนะส่วนใหญ่เราก็จะพยายามไปหาสิ่งแวดล้อมข้างนอกนะมากบเกลือนนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะที่เกิดเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นะได้พบพระพุทธศาสนานะ ทีนี้นอกจากเราจะทําความรู้สึกตัวที่กายให้บ่อยๆนะเรื่อยๆนะทําในรูปแบบนะเมื่อกายมันชัดความรู้สึกตัวที่กายชัดเนี่ยนะมันก็จะไปส่งผลนะให้เราไปรู้นะความรู้สึกนะนึกคิดต่างๆหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นผลนะจากความรู้สึกตัวที่ชัดขึ้นนะที่เรา อาศัยความเพียรพยายามอาศัยการทําบ่อยๆ อ, อาศัยการทําเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้ไปเพ่งจ้องนะหรือว่าไปตั้งใจเอาจริงเอาจังนะจนเครียดเกินไปนะนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะในการที่เราจะปฏิบัตินะในการเจริญสติเมื่อเราเความรู้สึกตัวชัดนะในส่วนของกาย นะไปเห็นความรู้สึกความนึกคิดเราก็จะไปเห็ น, นกลไกต่างๆนะเมื่อตาไปกระทบรนะูเราเกิดความรู้สึกอย่างไรนะดีใจเสียใจชอบใจมีความสุขมีความทุกขนะ์เมื่อเราเห็นเหล่านี้แล้วนะถ้าสติปัญญาเราไม่ทันเราก็จะไปยึดไปถือมันนะไปอยากให้มันอยู่กับเรานานๆถ้าอันไหนเป็นความสุขนะอันไหนเป็นสิ่งที่เราชอบใจ นะเมื่อสติปัญญาเราเห็นชัดเราจะรู้เลยว่าการไปยึดไปถือเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปอยู่กับเราได้ตลอดเวลานะเพราะสิ่งเหล่านี้นะมันมาแล้วก็ไปนะก็ผ่านมาผ่านไปนะถ้าเรามีสตินะมีความรู้สึกตัวที่ชัดนะเราก็จะเห็นความแปรเปลี่ยนนะสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะจิตใจมันก็เป็นปกติเป็นธรรมดาของมันนะมีความรู้ตื่นเบิกบานนะที่เกิดขึ้น ในขณะนั้นนะมันก็จะไม่เกิดการยึดการถือเพราะฉะนั้ น, น اء, การปล่อยวางเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราคิดจะปล่อยวางนะแต่มันเกิดจากการที่เรามีความรู้สึกตัวน่ะและสติปัญญาเนี่ยมันเห็นความจริงวา่าทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะยึดถือได้ไม่สามารถที่จะเป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการได้นะตรงเนี้มันเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นความจริงของสิ่งต่างๆ ทั้งปรากฏการอาการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานะแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกนะซึ่งตรงนี้แลนะ้ก็จะทำให้จิตใจลรงเป็นอิสระนะจากความรู้สึกความนึกคิดอารมณ์ต่างๆนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะเป็นการแก้ปัญหานะก็คือความทุกข์ทางใจได้อย่างาสิ้นเชิงนะแต่แน่นอนละ นะเมื่อความรู้สึกตัวเรายังไม่ชัดสติปัญญาเรายังไม่รอบพอนะหรือยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยนะมันก็จะมีสิ่งต่างๆเหล่านีนะ้แวะเวียนมาให้เรานะได้เรียนรู้ได้ดูได้ปรับนะได้สัมผัสนะอยู่ตลอดเวลานะซึ่งตรงนีนะ้เราก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวนะอาศัยสติปัญญาที่มีอยู่เนี่ยเรียนรู้มันก็ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าความนึกคิด อารมณ์ต่างๆเนี่ยนะมันก็จะมีความละเอียดปราณีตนะขึ้นไปเรื่อยๆน่ะจากเดิมนะเมื่อเรามาฝึกปฏิบัติใหม่ๆนะเราจะเจออารมณ์แบบที่มันมันเป็นอารมณ์หยาบๆหรือพื้นฐานนะเช่นความง่วงนะความฟุ้งซ่านความเบือ่อนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะในการปฏิบัติหรือแม้แต่อาการเจ็บปวด นะเมื่อเรานั่งนานๆเนะมื่อเราทำอะไรซ้ำๆบ่อยๆนะมันก็เกิดอาการปวดเมื่อยเสีงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขามาแสดงให้เราดูเขามาโชว์ให้เราดูนะเราก็เรียนรู้เขานะแต่เราไม่ต้องเข้าไปอยู่ในสิ่งเหล่านะี้มีความเจ็บมีความปวดนะก็เป็นอาการนะของกายนะที่มันจะเกิดขึ้นนะเราก็รับรู้แตนะนะ่เราก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลกับมัน นะก็ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมนะหรือเวลาเราหิวเรากระหายนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอาการของธรรมชาตนะิของร่างกายนะที่เขาจะต้องการรักษาตัวของเขาเมื่อเมือม่อหิวนะก็ต้องกินเนะมื่อกระหายก็ต้องดื่มเนะมื่อง่วงนอนก็ต้องนอนนะนี่เป็นอาการที่เขาแสดงออกมานะเพียงแต่ว่าเราจัดการให้มันเหมาะสมเท่านั้นเอง นะในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกันนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะที่แสดงให้เราดูให้เราเรียนรู้นะซึ่งตรงนี้นะเราก็อาศัยสติหรือความรู้สึกตัวนั่นเองนะเป็นตาในนะที่จะให้เราดูแลนะเราก็ไม่เข้าไปอยู่นไม่เข้าไปเป็นนะเป็นเพียงผู้ดูนะจิตใจก็เป็นปกตินะเป็นอิสระนะจากสิ่งเหล่านี้ นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําใหเา้เรามีชีวิตนะที่เป็นอิสระนะแล้วก็ไม่มีภาระนะหนักนะหรือแบกไวนะ้คนที่ไม่มีภาระนะไม่มีสิ่งที่เป็นความทุกขนะ์ทางใจนะก็จะสามารถทําประโยชนนะ์ให้กับตนเองแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นคนเราเนี่ยเมื่อมีมีความเป็นอิสระมีความสุขสงบแล้ว เราก็จะคิดถึงคนอื่นนะเราจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างนะเราจะทำอะไรได้บ้างนะซึ่งตรงนีนะ้ก็จะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลนะคนอื่นๆต่อไปนะจะด้วยการแนะนำ็ดีการลงแรงก็ดีการให้ข้อคิดต่างๆก็ดีนะหรือการมีส่วนร่วมนะในการทำกิจกรรมต่างๆนะเพื่อสังคมนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยนะสร้างสรรค์สังคมนะช่วย ส, สร้างสรรค์ันติสุขสันติภาพนะให้เกิดขึ้นนะเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่จะทำให้ เ, เกิดประโยชน์ขึ้นมานะนอกจากเราจะทำประโยชน์ตนแล้วนะเราก็ทำประโยชน์ท่านขึ้นมาด้วยนะแต่ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมัวทำแต่ประโยชน์ตน นะจนถึงที่สุดก่อนแล้วค่อยไปทำประโยชน์ท่านะจริงๆแล้วนะในแต่ละเวลาในแต่ละช่วงจังหวะเนี่ยนะแม้ว่าจะไม่ถึงที่สุดนะ ป, รประโยชน์ตนยังไม่ถึงที่สุดนะแต่เราก็ยังสามารถที่จะทำประโยชน์ท่านไปพร้อมๆกันนะในแต่ละเวลานาทีนะในแต่ละสถานการณ์ตามกาลังของเรานะได้ควบคู่กันไป เพราะฉะนั้นคนที่มาเจริญสติก็ดีมาปฏิบัติธรรมก็ดีนะทีเ่เข้าใจอย่างแท้จริงนั้นจะไม่ใช่คนที่เก็บตัวไม่ใช่คนที่จะไม่เอาการงานอะไรเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะได้พิจารณาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะนำเสนอนะว่า พิธีการเจริญสตินะแบบเคลื่อนไหวนะที่เราได้ฝึกปฏิบัติเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะในการที่จะใช้นะเพื่อการดับทุกข์นะทางใจได้ในรูปแบบหนึ่งนะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ถือว่ายุคสมัยนี้นะเป็นสิ่งใหม่นะคนบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะหรือว่าสังคมโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนักนะก็เป็นสิ่งที่ แต่ละคนก็คงต้องทำความเข้าใจกันต่อไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งนำเสนอในในในเช้าวันนี้นะก็อยากจะนะให้แต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยนะได้พยายามนะได้เรียนรูนะ้กายใจของเรานะได้ความรู้สึกตัวนะที่มีอยูนะ่แล้วก็ทำให้ต่อเนื่องนะทำให้เกิดผลขึ้นมะา นะแต่แน่นอนละนะก็คงจะไปตั้งใจหวังผลหรืออยากไดนะ้จนเราเป็นทุกขนะ์จนเดือดร้อนจนเกินไปนะอันนั้นก็อาจจะไม่พอเหมาะพอดนะีก็ต้องดูความพอเหมาะพอดีนะตามอิ see, นทรีย์ตามกำลังของแต่ละคนสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการที่เรามาอยู่ในสถานที่ เ, เงียบสงบ นะแล้วก็สะดวกสบายเนี่ยนะอันนึงก็คือความสะดวกสบายเนี่ยบางทีจะทำให้เราเกลียดคร้านนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออไม่ต้องไปทำอะไรนะตรงนี้นี่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นความประมาทนะที่จะเกิดขึ้นนะหรือมาทําไปแล้วนะไปเข้าใจว่านะไปสัมผัสกับอารมณ์นะเช่นรู้สึกมีปิติซาบซ่านนะมีความปลอดโปร่ง เป็นบางครั้งบางขณะ ก, ก็เข้าใจว่าตัวเองถึงที่สุดแล้วนะแล้วก็ไม่ทำอะไรนะนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะเพราะนั้นในในการฝึกปฏิบัติเนี่ยนะเราก็ต้องมีความรู้สึกตัวนะอยู่บ่อยอ ย, อยู่เรื่อยๆนะแล้วก็สังเกตนะดูสิ่ ง, งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราสบายแล้วนะเราไม่ต้องทำแล้วนะบางที บางทีมันก็ประมาทนะสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายนะหรือเป็นสัญญาณนะที่จะเตือนให้เราได้รู้เลยว่าสิ่งที่เราทําไปมันยังไม่ถึงที่สุดนะมันยังไม่เรียบร้อยนะก็คือการที่เราไปใช้ชีวิตนะแล้วไปกระทบกับคนกระทบกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะแล้วเรายังมีความรู้สึกหงุดหงิดนะรู้สึกไม่พอใจ นาะลุกคึกอคตินะหรือมีความโกรธความอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการบอกให้รู้นะว่าสิ่งที่เราได้ทำไปเนะี่ยมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะมันถึงที่สุดไหมนะมันจะต้องฝึกกันต่อไปนะมันยังไม่สาเร็จทีเดียวนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องสังเกตนะใช้วิจารยานนะใช้สติปัญญาของเรานอกจากทำในรูปแบบแล้วนะเออก็ใน นอกรูปแบบในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะเราก็ต้องใส่ใจนะที่จะมีความรู้สึกนะรู้สึกตัวนะกับการเคลื่อนการไว้การทํากิ จ, จวัตรประจำวันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะที่เอ่อส่วนใหญ่เนี่ยเอ่อคนที่ปฏิบัติเนี่ยมักจะละเลยกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้การฝึกปฏิบัติของเราอาจจะมีความไม่ต่อเนื่อง าขาดช่วงได้นะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็ไปคิดว่าการปฏิบัติก็อยู่เฉพาะในช่วงรูปแบบนพะพอนอกรูปแบบแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความประมาทอย่างหนึ่งนะที่เอ่อเราจะต้องเอ่อไครวญนะเราจะต้องระมัดระวังนะตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่าเอ่อถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันผิดพลาดไปแล้ว มันเผอไปแล้วช่างมันนะเริ่มต้นใหม่เรื่อยๆนะความรู้สึกตัวการเจริญสติทําใหม่เรื่อยๆให้กําลังใจกับตัวเองอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปเเคี่ยนตีตัวเองบางทีมันก็ทําให้จิตใจเราท้อถอยเหมือนกันนะนี้ก็เป็นสิ่งที่นําเสนอนะจากประสบการณนะ์ของตัวเองนะที่ได้เรียนรู้นะแล้วก็ยังไม่ถึงที่สุดก็ตามนะแต่ก็มี ความตั้งใจนะมีความพยายามนะที่จะเดินทางต่อไปนะอก็หวังว่ า, าทุกท่า น, นนะคงจะได้มีความเพียรพยายามนะในการที่จะเรียนรู้นะในการที่ตั้งใจนะที่จะเรียนรู้เรื่องความรู้สึกตัวนะกันต่อไปในท้ายที่สุดนี้นะก็ขอ อ, อ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัย นะก็คือพระพทธพระธรรมพระสงฆนะ์ที่มีอยู่ในตัวเราทุกผู้ทุกคนนะจงเป็นนะพลวะปัจจัยนะให้ทุกท่า น, นไดนะ้ถึงซึ่งความเป็นปกตินะของจิตใจนะจากความเพียรพยายามนะที่ได้มาร่วมกันนะศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุข่อนนี้ในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร Thank <laughs> you.